ทีนี้นี่เป็นเวทีใจสบายสบายเพราะฉะนั้นการฟังในสิ่งที่ผมจะได้นําเสนอนี้ขอยฟังแบบใจสบายสบายพมเองจะได้พูดแบบสบายสบายเวทีใจสบายเนี่ยก็ต้องมีหลายรูปแบบมีดนตรีมีการพูดคุยเมื่อกี้นี่ฟังดนตรีแล้วรู้สึกใจสบายไหมอ่าใจสบายการฟังแล้วใจสบายเนี่ยก็ถือเป็นการ ภาวนาในทางจิตได้เหมือนกันนะเพราะว่าการฟังเนี่ยเราฟังด้วยอะไรขั้นต้นคือฟังด้วยสติมีสติในการฟังแล้วก็มีสมาธิจดจ่อกับเสียงเพลงเราฟังอะไรนานๆเราก็จะมีสมาธิสิ่งนั้นนานๆทุกอย่างโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาให้เรามาแล้วทั้งสติทั้งสมาธิเพียงแต่ว่า ยังไม่ค่อยจะเจริญเพราะว่าเราไม่ได้ทำนา น, านๆไม่ได้ทำอยู่นึ่งเรยอพราะนั้นอุบายการทำให้เกิดสติเกิดสมาธินั้นมีหลายแบบการดูอะไรนานๆยางอ่านหนังสือเนี่ยดูรูปภาพเนี่ยเป็นสมาธิไหม <c oughs> เป็นสมาธิจิตใจจดจอ่อเป็นหนึ่งอยู่กับรูปภาพเป็นสมาธิโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยถ้าเรานาเอามาใช้ กับชีพของเราเนี่ยสามารถเป็นทั้งสมาธิเป็นทัสติถ้าสังเกตนานๆดูนานๆก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเอาเป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาจิตใจได้ดังนั้นเลยถ้าพุทธรมะอย่างเดียวเนี่ยบางทีก็หลับบางทีก็เดินออกไปก็มีบางทีก็เบือ่อที่ก็ง่วงแต่ถ้ามีดนตรีบ้างอันนี้จะช่วยได้เพราะว่า การแสดงดนตรีเนี่ยเป็นจุดสนใจของบุคคลให้สนใจมีหลากหลายทําให้เราได้แง่คิดจากการฟังดนตรีแล้วก็ได้ฟังข้อคิดได้เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมสังเกต ด, ดูทุกท่านฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยใจที่สงบเพราะนั้นดนตรีก็ดีกีฬาก็ดีศิละปะก็ดีช่วยปรุงแต่งจิตใจเราให้ดีทั้งนั้นให้เรารู้จักใช้บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ควรปฏิเสธ เอามาใช้ได้เนะียอย่างเวทีใจสบายเนี่ยคาว่าสบายเนี่ยเราเข้าใจตรงไหนคือความสบายความสบายกับความสนกุกต่างกันไหมมว <c oughs> ด, ดูนะคำสองคำนะระหว่างคำว่าสบายกับสนกุกสนุกนี่ขากลิ้ง <c oughs> ขากลิ้งสนุกไหมนะสนกุกสบายไหมขากลิ้ง <c oughs> ไม่สบายนะ ไปอุตรดิตสนุกแทบตายอยู่เรมบ์ความใจสบายสนุกแทบตายเพราะฉะนั้นความสนุกเนี่ยจิตใจมันจะเป็นไงมันจะตื่นเต้นเร้าใจเน็ตเหนื่อยกระวนกระวายสรุปแล้วใจไม่ปกติอย่างที่ฟังด น, นตรีเนี่ยทุกคนไม่ขำกลิ้งถึงขำก็ขำแบบไม่กลิ้งขำแบบสบายๆจิตที่สบายนั้น คือจิตที่เป็นปกติปกตินี้สบายนะเพราะว่าธรรมชาติของจิตเราเนี่ยเขาจะเป็นปกตินิ่งอยู่แล้วนั่นคือความเบิกบานของจิตแต่ถ้าจิตที่ไม่สบายนะั้นจิตที่มีการรับอารมณ์อารมณ์ดีใจจิตก็ไม่สบายแล้วมันเป็นความสนุกอารมณ์เสียใจยิ่งแล้วใหญ่เลย จิตที่สบายๆนั้นต้องเป็นปกติเป็นก ล, งกลางๆแล้วจิตที่เป็นปกติกลางๆเนี่ยเป็นจิตที่ทำให้เรานอนหลับไม่เป็นโรคประสาทคนเป็นโรคประสาทเนี่ยจิตไม่เป็นปกติหรอกเขาจะมีความคิดแบบไม่เป็นระเบียบสับสนอันนี้คือผิดปกติหัวเราะทั้งวันเนี่ยปกติไหมมีสิทธิ์เข้าโรงพยาบาลศีรทัญญาได้เหมือนกันนะ พอรอดทั้งวันนะเสีย ใ, ใจทั้งวันเศร้าหมองทั้งวั น, นอันนี้ก็ปิดปกติมีสิทธิจะฆ่าตัวตายได้จิตที่เป็นปกตินะั้นเป็นกลางๆรักษาโรคประสาทนอนหลับสบายการทํางานด้วยใจที่เป็นปกติการงานจะไม่ค่อยผิดพลาดเคยสังเกตดูงานจะไม่ค่อยผิดพลาดถ้าทําแบบจิตใจที่ร่าเริงสนุกสนาน อันนี้ประมาทนะอย่างนั้นไหมประมาทนะอะอย่างเช่นสมมติว่าเราไปต่างจังหวัดเราเหมารถบัสจะหนึ่งคันฉลองวันสงกรานต์กินเหล้าเฮฮากันในรถคนขับรถทำหน้าที่ขับรถเรากลัวคนขับรถจะเซง็งจะเบือ่อยื่นสุร้ายเขาดื่มให้เขาสนุกกับเราบ้างนั่นเพราะทำงานวิตีที่ผิดปกติ ร่าเลยจนเกินไปมีโอกาสที่จะประมาทได้แต่ถ้าขับรถไปนี่โอ้โหไอเราต้องมานั่งขับรถไอพวกเขาสนุกกันมันกันท่าเดียวเราลําบากเราไม่อยากขับรถเลยจิตใจที่เศร้าหมองงานก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าคนขับรถนั้นขับรถด้วยจิตที่เป็นปกติเอาละเขาสนุกก็ดีแล้วขอให้เขามีความสุขมากๆเรานี่เราช่วยเหลือเขามีความสุขมากๆเราทําบุญก็แล้วกันจิตเนี่ยจะสบายทํางานที่จิตสบาย เขาจะมีความสุขกับการทํางานเพราะนั้นมีอยู่สามอย่างให้เราเลือกเอาจิตสนุกสนานร่าเริงกับจิตที่เศร้าหมองแล้วก็ติตที่เป็นปกติกลางๆอันไหนทําประโยชน์ได้มากกว่านักเรียนที่เข้าห้องสอบทดสอบด้วยจิตที่ร่าเริงเต้นรำเขาเป็นห้องสอบเลยโอ้นี่สบายมากข้อสอบนี้ง่ายเหลือเกินอ่านคําสั่งไม่ตลอดข้อไหนให้การกระ บ, บาดลงไปในข้อนั้น แต่ไปเขียนเครื่องหมายถูกเข้าไปเนี่ยสอบตกเลยนะไอ้ที่สอบตกนี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้มีความรู้แต่ประมาทใช่ไหมประมาทนิวการสอบตกได้จิตผิดปกติหรือถ้าหากว่าเปิดข้อสอบมานักเรียนคนนั้น เ, นะเปิดข้อสอบมาโอ้โหกูตกอีกแล้วตกอีกแล้วนี่สอบเขาสอบยากแล้วก็ตกอีกแล้ ว, ลวจิตใจเศร้หมองตกจริงๆแต่คนที่เข้าสอบด้วยจิตที่เป็นปกติเตรียมตัวมาดีแล้ว อ่านทบตัวแล้วก็อันไหนทําได้ทําได้เลยอันไหนทำไม่ได้ข้ามไปก่อนใช่ไหมทาด้วยสติด้วยจิตที่เป็นปกติไม่ยินดีไม่ยินไลจะทําข้อสอบได้ดีมากเราเข้าสอบครูบาอาจารย์จะบอกว่าอทำใจเย็นๆ น, นะเนยข้อสอบทําข้อสอบใจเย็นๆใช่ไหมคือทําใจเป็นปกติเขาไม่เคยบอกว่าอทํำด้วยจิตล่าเริงสนุกเขาไว้แล้วทําข้อสอบจะดีครูจะไม่บอกอย่างนั้น หรือครูครูเขียนว่าตกแม่แน่ไม่ต้องทําก็ได้ครูจะบอกว่าใจเย็นๆจิตที่เป็นปกติเป็น ก, นกลางๆเนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยเป็นปกติด้วยจิตที่เป็นปกติจะมองโลกเป็นเรื่องธรรมดาทําอย่างไงให้จิตเราเป็นปกติอันนี้ต้องอาศัยสติเข้าช่วยเหลือแล้วต้องมีสติรักษาจิตจิตจึงจะเป็นปกติ แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าการใช้ชีวิตเนี่ยจะห้ามนะเวลามีความสุขมากระทบเราห้ามไม่ให้สุข ก, ก็ไม่ใช่ความสุขความชื่นชมยินดีปีติอิ่มเองเปลมใจมีได้มีได้แต่ต้องมีสติรู้อย่าเข้าไปยึด ต, ติดในความสุขถ้าเราเข้าไปยึด ต, ติดในความสุขเมื่อไหร่แล้วก็ เราจะเป็นทุกข์นะเพราะสุขจะคู่ทุกข์ความสุขนี้ก็ไม่แน่นอนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นสุขมีความปีติในสุขนั้นแล้วก็อย่าไปยึดติดเวลาความสุขเขาเปลี่ยนแปลงไปเป็นความทุกข์เนี่ยเราจะไม่เศร้าหมองเลยเราต้องมีสติรู้ทันในความสุขไม่ห้ามนะแต่ให้รู้ทันจิตจะเป็นปกติเป็น ก, ากลาง ใช้จิตเป็น่ยนกายในทําหน้าที่ได้ดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้นจิตอยากจะเชิญชวนญาติธรรมลองมารักษาใจเป็นปกติสิอย่างตอนนี้หลายคนใจเป็นปกติกลางๆมีสติรู้เฉยความหงุดหงิดจะมีน้อยมากแต่เราลองมามีสติควบคุมใจสักนิดนึงถ้าใจเป็นปกตินานๆเ น, นี่ยมันจะมีความเบิกบานมีความเบิกบานอยู่ในจิตใจเบิกบานโดยธรรมชาติเพราะว่าไม่ถูกอารมณ์ ที่พอใจและไม่พอใจปรุงแต่งเอาละเดี๋ยวเราลองมาฝึกจิตให้เป็นปกติดูนะสติภาวนาเพื่อสุขภาพภาวนาคืออะไรคือทำจิตให้เจริญไม่ให้ถูกอารมณ์ครอบงำแต่ไม่ห้ามไม่ห้ามความคิดไม่ห้ามอารมณ์ทึกสติเพื่อรักษาจิตให้เป็นปกติเพื่อให้จิตมันเจริญพัฒนาไม่ถูกอารมณ์ตั้งครอบงำ ความคิดเนี่ยเปรตเสมือนกรงขังจิตใจเราเวลามันคิดขึ้นมาในส่วนที่พอใจจิตเราก็พุ่งไปตามความคิดนะถูกมันขังแล้วเราไม่สามารถที่จะรู้ทันมันแล้วก็ไม่เข้าไปยึดติดมันรักษาจิตให้เป็นปกติได้เนี่ยเราทําอย่างนี้ไม่ได้เพราะเราขาดสติเราอย่าพูดว่าเจริญสติแล้วเรื่องว่าทำความรู้สึกตัวดีกว่าทำความรู้เนื้อรู้ตัวเวลามันพลิกมือให้รู้สึก แค่รู้สึกว่ามือกําลังเค ล, เคลื่อนไปมายกแค่รู้สึกเคลื่อนรู้สึกหยุดก็รู้สึกเคลื่อนรู้สึกหยุดรู้สึกไม่ต้องใช้คําบริกรรมคําพูดทั้งสิน้นเอาจิตล้วนๆก็ไปสัมผัสรู้เฉยๆไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมันจะชัดไม่ชัดแล้วแต่สติเขาทำหน้าที่อย่าไปบังคับมันไม่ชัดก็ไม่เป็นไร พอทำํำบ่อยๆเนี่ยก็จะค่อยชัดเจนไปเองเวลามันเกิดความคิดอย่าไปห้ามปล่อยก็คิดตามธรรมชาติถ้าใครห้ามความคิดเนี่ยจิตจะเครียดทันทีเลยปล่อยให้เคิดตามธรรมชาติให้เรามารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวมันคิดไปเรารู้สึกอยู่ที่การเคลื่อนไหวเราอย่าไปคิดว่าไม่อยากให้มันคิดอยากให้มันสงบเราทําถึงสองอย่างพร้อมกันเนี่ยจิตมันจะเครียด เราไม่ต้องการความสงบไม่ต้องการความคิดเราแค่รู้สึกทําแค่หนึ่งเดียวจิตทํางานหนึ่งเดียวเนี่ยจิตจะมีพลังเพราะฉะนั้นแค่รู้สึกอย่างเดียวก็พอแล้วยังไม่สนใจกับอะไรแล้วจิตจะเป็นปกติแล้วก็จะสามารถควบคุมจิตควบคุมความคิดได้การเจรสตินี่ต้องรู้เป็นขณะขณะไม่ใช่สมาธิแต่มีสมาธิอยู่ในนั้นด้วยแต่สมาธิจะน้อยกว่า จะมีความรู้สึกตัวมากกว่าการเคลื่อนไหวนี่ไม่สำคัญนะสมัสที่ว่าเรามีความรู้สึกตัวหรือไม่เราจะเคลื่อนช้าเคลื่อนเร็วท่าสวยไม่สวยไม่สำคัญสมัสที่เรามีความรู้เนื้อรู้ตัวตอนนั้นหรือไม่ถ้ายกมือไปแล้วทำท่าสวยจิตใจฟุง้งซ่านอันนั้นไม่ใช่เป็นการเจริญสตินะอันนี้ว่าลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่รู้เนื้อรู้ตัว เพราะสำนักงานที่ว่าเรารู้สึกตัวไหมส่วนการเคลื่อนไหวแบบสิบสี่จังหวะเนี่ยเราอย่าไปยึดมั่นถึงมันอย่าสงสัยว่าทําไมต้องทำอย่างนี้ทำไมไม่หลับตาบริกรรมพุโทโธหรือดูลมหายใจอันนี้เป็นเพียงอุบายอุบายทําให้เรามีสติเกิดขึ้นเป็นอุบายอย่าสงสัยเพราะต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องใช้ก็ได้เมื่อเรามีความรู้ตัวมีตัวรู้เกิดขึ้นแล้วในใจเราเนี่ย เราก็ใช้ตัวรู้ไี่ทำหน้าที่ได้เลยเพราะว่าคนสมัยนี้นี่ความคิดมันเยอะความคิดมากถ้ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยความคิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่บางคนมีจริตว่าต้องดูลมหายใจอันนั้นก็ใช่ลมหายใจก็เป็นการเคลื่อนไหวเหมือนกันใช่แต่ว่าบางคนเนี่ยดูยากหน่อยเพราะลมหายใจนี่มันเห็นได้ยากมาก หายใจเข้าออรู้สึกหายใจออกรู้สึกมันละเอียดเมื่ออารมณ์มันละเอียดแบบนั้นเวลามีความคิดขึ้นมาเนี่ยมันตัดไม่ได้มันตัดความคิดไม่ขาดการปฏิบัติธรรมการจริตสติเนี่ยก็เพื่อให้รู้ทันความคิดถ้าความคิดรุนแรงสติน้อยมันก็ไม่เสมอกันถ้าความคิดรุนแรงสติมากอาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยมันสู้กันได้ ความคิดไม่ครอบงำให้รู้ทันพอรู้ทันปับ๊บเดี๋ยวควาคิดก็หายไปไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปห้ามยิ่งห้ามจะยิ่งคิดการดูลมหายใจก็ดีการรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวก็ดีอันนี้เป็นการฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวผมเองนี่แต่ก่อนก็เคยฝึกแบบนี้ยฝึกดูลมหายใจแล้วต่อไปเนี่ยผมนอนปฏิบัติพอดูลมหายใจนานๆมันก็เกิดสมาธิมันเคลิ้มมันก็หลับไปเล ย, เลยสติมันไม่ตื่น แต่พอมีการเคลื่อนไหวอาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยผมสภาพธรรมชาติต้องนอนนอนนิ่งมันก็ทําให้หลับก็นอนเคลื่อนไหวพอสมาธิเกิดติดมันจะเริ่มสงบถ้าเราไม่เคลื่อนไหวเนี่ยบางทีมันนอนดูเราไม่ใช่ใเฉยนี้ก็หลับนั่งเฉยนี่ก็หลับมันได้ยกมือค้างหลับจิตมันสงบมันมีสมาธิแต่ว่าขาดสติแต่ถ้ามีสติความรู้ตัวเกิดขึ้นเนี่ยความง่วงผ่านมาแล้วเขาก็จะผ่านไป เวลาปฏิบัติถ้ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยทําให้สติมันตื่นพอสติมันตื่นรู้แล้วเนี่ยจิตมันจะเบิกบานมันเบิกบานเองเมื่อจิตมันตื่นรู้ไม่ซึ่งเศร้าอันนี้แหละเป็นการเจริญสติเป็นการทําภาวนาทุกครั้งที่เราฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยจิตเราจะสบายสบายเป็นกลางๆ ก, การเดินอย่างรู้สึกตัวเนี่ยเรียกว่าเดินจงกรม อย่างเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าเดินจงกรมก็ได้เดินอย่างรู้สึกตัวทีนี้แต่ละวันเนี่ยเราต้องเดินไปไหนบ้างเราอย่ามุ่งแต่ว่าให้ไปถึงอย่างเดียวยิ่งรอเมื่อไหร่ไม่ถึงแล้วก็มันจะยิ่งนานนั้นเดินแบบรู้สึกรู้สึกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะถึงไวได้สติด้วยนี่เป็นการปฏิบัติธรรมนะทุกครั้งที่เรามีสติรู้สึกตัวเนี่ยกุศลธรรมในจิตใจมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยเป็นที่รวมของ ธรรมะทัท้งหมดเลยคือความรู้สึกตัวเนี่ยเท่ากับเราไม่ประมาะรูเนื้อรู้ตัวเนี่ยชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยเรามาทําอย่างเงี้ยเดินเข้าห้องน้ําอย่าเดินเข้าฟรีๆเดินเอาความรู้เนื้อรู้ตัวเข้าไปในห้องน้ําด้วยทุกอย่างในชีวิตประจําวันเนี่ยเรามาฝึกสติได้ทั้งนั้นเลยทุกอย่างใช้ฝึกสติได้ทั้งนั้นเลยอย่างเช่นว่าเราอยู่กับคนรอบข้างเนี่ย เราฝึกสติได้เวลาเขาไม่พอใจอะไรเราเนี่ยตัยเช่นว่าเขานินทาว่าร้ายเรามองเราในแง่ร้ายรเราห้ามเขาได้ไหมแต่เราห้ามใจเราไม่ให้ทุกข์ได้ไหมดูใจเราวันไหวไหมถ้าเราวันไหวแสดงว่าเราผิดปกติแล้วใครที่เขานินทาว่าร้ายเราเราก็ดูใจเราเราอย่าไปห้ามเขาแต่เรารู้จักใจเรา เขาจะพูดนินทาใคก็ตามถ้าใจเราเป็นปกติวางเฉยได้เนี่ยเราชนะใจตัวเองแล้วนะใครก็ตามมาสารเสร่เรายกย่องเราไม่จะไปต้องปล่อยใจจะให้ฟูไปตามอารมณ์ค่ะให้รู้ใจเราโอโ๋อนี่ใจเราฟูแลวนะให้รู้เท่าทันใจเราใครก็ตามเขาไม่สนใจเราเราก็ดูใจเราในโลกนี้มีคนอยู่สามประเภท ท, ที่จะมาเจอกับเรา คือคนที่ชอบเราและคนที่เกลียดเราและคนที่เฉยๆกับเรามีสามประเภทในโลกนี้ใจเราเป็นยังไงรักสาวให้เป็นปกติอย่าไปฟูตามคำที่เขาชมเชยแต่รู้เอาไว้อย่าไปแฟงเมื่อเขานินท้าว่าอะไรเรารู้เอาไว้เป็นปกติเอาไว้อันนี้คือจิตที่มีธรรมะจิตที่เป็นปกติเป็นกลางวางเฉยนเป็นจิตที่เต็มไปด้วยธรรมะ เต็ไมได้วยสติความรู้เนื้อรู้ตัวเอ้บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะอย่างเราเราเฉยเฉยเนี่ยเย็นชายอย่างเงี้ยมันจะผิดปกติหรือไม่สงสัยไหมสุขมาแล้วก็เฉยทุกมาแล้วก็เฉยมีจิตมีใจหรือเปล่าจะขอยกตัวอย่างเ อ, อต้องขอไปไม่ได้เปรียบเทียบ น, นะพระอรหันต์กับคนบ้าเนี่ยต่างกันลิรับเลยนะพระอรหันต์นี่เป็นผู้ที่หมด กิเลสแล้วคนบ้าเป็นคนที่ผิดปกติจากคนธรรมดาจะว่าอยู่ในพบภูมินึงก็ได้ไม่ใช่พบภูมิของมนุษย์กันแล้วสองประเภทเนี้เขาจะมีความเฉยเหมือนกันอย่างมีใครไปด่าพระหันเนี่ยพระละหันเฉยไหมแล้วคนบ้าเวลามันถูกด่ามันเฉยไหมก็เผื่อมันยิ้มด้วยภาะวะเฉยเนี่ย บุคคลสองคนนี้เหมือนกันข้างนอกนะแต่ใจนี่ไม่เหมือนกันคนบ้านี่เฉยแบบไม่รู้ตัวนะแต่พระอาหารนี่เฉยแบบรู้ตัวรู้เท่าทันรู้เท่าทันตามความธรรมดาของโลกเพราะฉะนั้นถ้าคนบอกว่าทําไมเราเฉยชา้ามีอารมณ์ชอบใจมาเราก็เฉยสิ่งที่ไม่ชอบใจมาเราก็เฉยมองเห็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเราบอกเขาเลย ว, ว่า เฉยแบบรู้ตัวควายกับคนเนี่ยต่างกันนะควายในไปด่ามานันมันเฉยนะเพราะนั้นคนที่เขาด่ามาเราเฉยเนี่ยเราเฉยแบบรู้ตัวควายไม่รู้ตัวอา จ, จารย์ชาบอกว่าอย่าทำตัวแบบควายวางเฉยไม่รับผิดชอบอะไรควายวางเฉยเนี่ยมันไม่รับผิดชอบนะเขายกตัวอย่างว่ามีผ้ารูปหนึ่งเป็นพระกรรมฐานหลวงว่อชาบอกว่าให้ปล่อยวาง ให้ปล่อยวางนี่มีวันหนึ่งกุฏิมันรั่วมีลังคารั่วฝนตกมาท่านก็นไม่สนใจลังคาท่านก็นหลบไปข้างนึงปล่อยให้น้ามันลดไหลามาแต่ไม่ถูกตัวนะท่านหลบไปข้างลวงพ่อจ้าก็ตันหนีว่าเอา้าทําไมถึงไม่ซ่อมกุฏิอา้าวก็อาจารย์ชาบอกมาให้ผมนี่วางเฉยงไงถ้าวางเฉยจริงๆเนี่ยทำไมต้องหลบฝนล่ะ ไ, ไม่ให้ฝนมันลดรั่วท่านเลยบอก เนี่ยเฉยแบบควายวางเฉยนะแล้วนะครัที่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อย่างนั้นยังไงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะไม่ใช่เขาเรียกชื่อเราอุไทยเราก็เฉยวางเฉยนั่นจะเป็นควายวางเฉยนะเรียกอุไทยแล้วก็ต้องรับตามสมมุติแต่ในใจนั้นเฉยข้างนอกทําตามหน้าที่ข้างในนี่สามารถวางเฉย แล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมีสติอันนี้คือใช้ชีวิตด้วยปัญญายาสุตรตรงสำคัญว่ากยาสูตรตรงวางเฉยเฉ ย, เฉยแบบรู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันเนี่ยขอให้ญาติธรรมเนี่ยเอามาเป็นการปฏิบัติธรรมได้หมดเลยเอามาฝึกจิตฝึกใจได้หมดเลยเอามาเจริญสติอย่างน้อยทําอะไรไม่ได้ให้ทําใจไว้ก่อนทําใจแบบรู้ตัวไว้ก่อนใช่ไหม เนี่ยยังเนี่ยน้ำท่วมภาคเหนือท่วมอุตรดิต์เราช่วยเขาได้ไหมช่วยไม่ได้แต่ต้องช่วยใจเราได้ได้ก่อนเราต้องไม่เป็นทุกข์กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นฝนตกแดดออกฟ้าร้องเราห้ามไม่ได้แต่ห้ามใจเราไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันให้รู้ทันว่าอ๋อนี่มันธรรมดานะทำใจให้รู้ทันเนี่ยอันนี้คือปัญญาทำอะไรไม่ได้ทาใจไว้ก่อน น, นี่สำคัญแต่อย่างนี้นก็คือเคล็ดลับองการมีความสุขบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคกับเราที่มีปัญหากับเราเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นปั๊บอันดับแรกคือตั้งสติให้ได้เรียกสติมาก่อนเมื่อสติมาแล้วเนี่ยฝึกความอดทนความอดทนนี่เป็นธรรมะไหมเป็นการปฏิบัติธรรมอดทนกับเหตุการณ์นั้น ตั้งสติและอดทนเนี่ยแล้วมันจะมีความคิดที่แก้ปัญหาแล้วก็พยายามแก้ปัญหาฟาฟันอุปสรรคนั้นไปเมื่อผ่านอุปสรรคไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นผลสําเร็จจะเกิดขึ้นและตอนนั้นจะมีความสุขอันนี้แหละตรงกับที่ว่าหาความสุขจากความทุกข์เมื่อเกิดความทุกข์ตั้งสติอดทนเป็นการปฏิบัติธรรม แล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาให้ได้เมื่อแก้ปัญหาได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขได้ทําเคยทํางานที่ยากๆสําเร็จไหมทํางานที่ยากสำเร็จแล้วใจมันสบายเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่งตอนเริ่มต้นเขียนไม่ได้เขียนว่าอย่างไรดีแต่พอเขียนจบเนี่ยสบายใจบางครั้งมันเกิดความท้อแท้ในใจเนี่ยเราเปลี่ยนความท้อแท้มาท้าทายซะเห็น ไ, ไหม เปลี่ยนจากจิตที่มันท้อแท้กําลังตกอยู่มาท้าทายจิตมันตื่นเลยทุกครั้งที่เราเปลี่ยนจิตที่ท้อแท้มาท้าทายนะมันเปลี่ยนด้วยสตินะ <c oughs> แล้วถ้าทําได้แล้วก็มันจะเป็นฐานของกําลังใจจะทําในสิ่งที่มันยากกว่านี้มันจะท้าทายถิงที่ยากสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตนั้นคืออะไรเอาชนะใจเรา <c oughs> <c oughs> เอาชนะใจเรานี่ยาก แต่ถ้าเอาชนะใจเราได้แล้วก็จะชนะทุกอย่างชนะความทุกข์อันนี้มันหน้าท้าทายนะเพราะนั้นมันเกิด อ, อะไรขึ้นก็าตามเนี่ยต้องตั้งสติไว้สติจะมาจากไหนเราต้องฝึกฝึกในรูปแบบหาเวลาส่วนตัวของเราฝึกเดินจงกลมอย่างเมื่อกี้เนี่ยเดินก้าวท้าอยากรู้สึกเนี่ยอยู่กับที่ก็ได้ถ้าใครมีที่สัก สิบสองเก้าเนี่ยเดินไปเดินมาเดินอย่างรู้สึกตัวเนี่ยเดินแบบไม่ต้องคิดอะไรเอาแค่ความรู้สึกแล้วก็จบรู้สึกแล้วก็จบในรูปแบบดิ้นนั่งยกมือสร้างจังหวะ1ิีจังหวะแค่รู้เฉยเฉยหรือดูลมหายใจอะไรก็ได้ที่เอามาจิสติได้ทําได้ทั้งนั้นในรูปแบบและในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าลืมนอกรูปแบบการทานอาหารการอาบน้า การแต่งน้าแต่งตัวให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนะเว้เป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันเลยตากลืนตาตื่นมาตอนเช้าแล้วก็หลับตาไปตอนค่ำเป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งหมดเลยจิตมันจะเป็นปกติมันจะวางเฉยแบบรู้ตัวแล้วคอยสังเกตดูนะทำนี้สักเดือนหนึ่งชีวิตเราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยเปลี่ยนที่ใบหน้าเพราะจิต ถ้ามีสติเนี่ยมันจะตื่นรู้แล้วจิตมันจะเบิกบานมันจะออกมาทางสีหน้านะความเบิกบานนี่มันเริ่มที่ใจแล้วมันส่งผ่านไปที่ใบหน้าการพูดจาก็ไพเราะการกระทําก็ดูงดงามถูกต้องผู้หญิงก็เหมือนแม่พระถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนแม่พระหน้าเข้าใกล้บางคนนี่ใบหน้าหัวคิ้วกระหมดเหมือนแม่มด อันนั้นบอบอกว่าจิตใจนี่ไม่ค่อยปกปติเหมือนแม่มดถ้าใจปกปติแล้วหน้าตาเหมือนแม่พระพ่อพระ <c oughs> ผมสังเกตดูหลายคนเริ่มปฏิบัติใหม่ๆนี่หน้าเครียด <c oughs> ไม่น่าเข้าใกล้มันคนที่เก็บกฎอะไรกันไม่รู้ธรรมะนี่มีแต่เรื่องปล่อยวางไม่ใช่เคร่งเครียดเก็บกฎอันนั้นไม่ใช่ธรรมะต้องปล่อยวางต้องเบิกบานบางครั้งเรารู้ตัวว่าเราไม่เบิกบานก็ทาจิตให้มันเบิกบานก็ได้ รู้สึกตัวจิตก็จะเบิกบานทันทีเราไม่ได้สร้างภาพแต่ถ้าสร้างภาพแล้วทาให้ใจเบิกบานนี่มันก็น่าทํานะยิ้มให้ใจมันเบิกบานเพื่อตัวเราไม่ใช่เพื่อใครผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ได้ตัวเองว่ามันไม่หวั่นไหวได้จริงๆแม้ว่าน้ําจะท่วมโคลนจะถล่มเหตุการณ์ภายนอกย่อมเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่จิตนี่ไม่หวั่นไหวจิตที่ไม่หวั่นไหวเป็นปกติเป็นกลางเนี่ยมันจะแก้ปัญหาให้ตัวเราได้ ทุกครั้งเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งสติให้ได้ก่อนสติที่ตั้งได้เนี่ยมันจะคิดแก้ปัญหาตามสติจตยานมีคนมาถามว่าถ้าเข้าไว้น้าไม่เป็นเนี่ยเขาตกน้ำไปเด็กเขาจะทำอย่างไรคนที่ตกน้ําแล้วไว้น้ําไม่เป็นแล้วก็ตายไปเนี่ยเป็นเพราะว่าตกใจตกตะลึงเมื่อจิตมันตกตะลึงเนี่ยมันทําให้เส้นเลือดในร่างกายเนี่ยไม่ค่อยสูบจีดนะมันแข็งมันเกร็งเป็นตะคริว แต่ถ้าเราตกน้ําท่าไว้น้ําไม่เป็นอย่าตกใจตกน้ําอย่าตกใจตั้งสติได้ก่อนโอ้นี่เราตกน้ําแล้วนะไม่ต้องยิ้มก็ได้ตกน้าแล้วทําใจปกติไว้โดยสัญญาณของจิตเนี่ยมันจะเริ่มแก้ปัญหาตัวเองทําไมสุนัขแมวจึงตกน้ําไม่ตายมันไม่เคยหัดไว้น้ําเลยนะมันมีสติที่มันจะควบคุมแก้ปัญหาตัวมัน เราก็เหมือนกันเมื่อตกน้ำอย่าตกใจตั้งสติให้ได้เดี๋ยวกระบวนการช่วยชีวิตมันก็จะเกิดขึ้นมาเองอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในใจเราได้นั้นต้องฝึกต้องฝึกสติฝึกสติเพื่อตัวเราฝึกความรู้สึกตัวเพื่อเรามารู้จักตัวเราเมื่อเรารู้จักตัวเราแล้วเนี่ยจะรู้จักคนอื่นด้วยเราอยากจะรู้ใจคนอื่นไหมทุกคนอยากรู้ใจคนอื่นแต่ใจเรายังไม่รู้เลย ฝึกรู้จักใจเราก่อนแล้วเราจะเข้าใจคนอื่นเพราะคนอื่นกับเรานี่มันไม่ต่างกันหรอกธรรมชาติเหมือนกันเรียนรู้ชีวิตอื่นด้วยชีวิตของเราเนี่ยไอ้ต้องเขาใจว่าการปฏิบัติตธรรมเนี่ยไม่มีการห้ามอะไรไม่ได้ห้ามความคิดให้มันหยุดเพียง <independence S 1> <s> แต่ว่าเราไม่ต่อเติมปรุงแต่งความคิดเพราะความคิดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเป็นธรรมชาติทุกคนต้องคิดคนที่ไม่คิดเนี่ยคือคนตายคนที่ห้ามความคิดได้นั้น อันนั้นไม่ถูกต้องตามหลักธรรมความคิดเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้แต่ว่าเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้ว่ามันคิดแค่เรารู้เนี่ยมันก็อาจจะหยุดแล้วใช่ไหมถ้าคนที่เจริญติมากๆสติเข้มแข็งเนี่ยพอเห็นความคิดความคิดจะดับเลยแต่ถ้าหาว่าเห็นความคิดแล้วความคิดไม่ดับแสดงว่าสติเรายังไม่เข้มแข็งให้เรามารู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวของกายอยู่กับการเคลื่อนไหวเคาะมือเล่นพลิกมือเล่น มาใส่ใจที่การเคลื่อนไหวเนี่ยความคิดมันก็จะไปมันทางหนึ่งเราก็จะมารู้ทางหนึ่งแล้วความคิดก็จะหายไปจิตที่มันคิดปรุงแต่งมากๆเนี่ยจิตมันจะเหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยถ้าเราคิดไปห้ามันแม่มันคิดเราก็เอาความคิดไปทําลายความคิดมันก็ยังคิดอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจซะความคิดก็จะหายไปอันนี้พูดถึงความคิดที่เราไม่ต้องการจะคิดมันมีความคิดสองแบบในชีวิตเรา คิดแบบไม่ต้องการจะคิดมีไหมเนี่ยนั่งฟังดีๆเนี่ยโอ้ที่บานเราตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยลูกหลานกลับมาหรือยังเนี่ยอันนั้นคือความคิดที่หรลวความเขียนบอกว่ามันเป็นลักคิดขโมยคิดประเภทนั้นอนะ่ะอย่าไปเชื่อมันแต่เรายังเชื่อใช่ไหมยอย่าไปเชื่อมันแต่มีความคิดอประเภทหนึ่งที่ว่าตั้งใจคิดขึ้นมาเนี่ยอย่างมาที่เนี่ยวันนี้จะไปเรียนบนฟาร์มนะไปฟังอะไรดีๆเนี่ย อันนี้เป็นความคิดที่เป็นกุศลใช่หไหมมาด้วยกุศลคิดเจตนาคิดแล้วมาดีด้วยแต่กัดดีหรือบาไม่รูนะ้มาดีด้วยใช่หไหมอันนี้คือตั้งใจคิดตั้งใจวางแผนคิดเพื่อแก้ปัญหาอันนี้คือเป็นประโยชน์ถ้าความคิดที่เป็นกุศลนั้นอย่าได้ไปห้ามให้รู้จักความที่เป็นกุศลอย่าไปห้ามถ้าเราฝึก ดูกายเห็นความคิดบ่อยๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยากคิดคนที่เจริญติมากๆเนี่ยจะขี้เกียจคิดแต่ไม่ขี้เกียจรู้มันง่ายที่จะไม่คิดมันยากที่จะคิดเพราะจิตเนี่ยมันเริ่มเสพอารมณ์ที่มันเป็นปรกติมันว่างไว้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปห้ามความคิดแต่ให้รู้จักเขาแล้วรู้จักใช้ความคิดที่เป็นประโยชน์ไหนใครมีปัญหาเพราะความคิดบ้างทาไมเราต้องเชื่อความคิดเสมอไป เราไม่ต้องเชื่อก็อได้ความคิดเนี่ยเ ร, เราไม่เชื่อมันสะบ้าง น, นแต่อย่าไปห้ามก็ห้ามไม่ได้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อได้แล้วก็มีสิทธิ์คิดไปทางที่ดีได้เป็นกุศลได้สังเกตดูนะเวลาเรามีความทุกข์เช่นทุกข์ร่างกายที่มีโรภคภัยไข้เจ็บทุกข์ร่างกายนี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทุกข์มากเพราะจิตไปปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งจากทุกข์กายให้มันทุกข์หนักไปก ถ้าไม่คิดปรุงแต่งในเช่นอาการปรวดฟันเนี่ยปวดฟันเป็นเรื่องธรรมชาติไอ้ที่เราปรุงแต่งโอ้โหฟันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าไอ้พวกนี้ทําให้ทุกข์หนักก็บีบเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันว่าอ๋อนี่ทุกขเวทนานะอันนี้คือความคิดนะรู้ว่าอะไรคือคิดอะไรคือทุกข์เนี่ยแล้วทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมากอย่างเช่นเวลาเราวางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งวางแผนถึงอนาคตทุกคนต้องวางแผนทุกคนต้องใช้ความคิด คิดวางแผนว่าเราจะทำอะไรดีชีวิตของเราอันนั้นคือถูกต้องแต่ถ้ามีความกังวลเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นไม่ใช่ต้องรู้จักแบ่งว่าวางแผนถูกแล้วแต่ถ้ากังวลเนี่ยนอนซะดีวกว่าคิดถึงอนาคตได้แต่ว่าไม่ต้องกังวลถ้ามีสติแล้วมันจะแยกแยกได้ว่าอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการคิดถึงอนาคตสมมว่าเราจะตั้งโครงการว่าจะทอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่ถ้ามีความกังวลเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นรักคิดนะไม่เจตนาคิดเราไม่ต้องการความกังวล <g iggle> เราต้องการวางแผนใช่ไ่าแล้วจะเชื่อตัวไหนเชื่อตัวที่เราตั้งใจไว้ก่อนการตั้งใจก็คือาการทำด้วยสติสติตัวเนี้ยไม่ใช่สติตามสัจจญาณคือสติที่ประกอบด้วยสัมปชัญ ญ, ญะคือรู้สึกตัวเวลามันเกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาเนี่ย เราจะออกจากอารมณ์นั้นได้อย่างไรอันเนี้ยหลายคนก็เป็นอย่างเงี้ยรู้ว่าความโกรธนี่ไม่ดีอ้จะทำไงที่เอาจิตออกจากความโกรธได้อันนี้คือปัญหาสาคัญมากอันดับแรกเมื่อเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจเกิดขึ้นสิ่งแรกที่ต้องําก็คือตั้งสติให้ได้ก่อนอ๋อนี่หงุดหงิดแล้วได้แล้วหนึ่งคะแนนของสตินะ เป็นกุศลเติมคะแนนเลยในกุศลได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนรู้ว่ามันกุหงิตร์นะต่อไปคืออย่าไปบังคับอย่าไปห้ามไม่ให้มันหงิดถ้าเราไปห้ามอะไรแล้วก็มันจะเริ่มกุหงิดขึ้นมาอย่าไปห้ามอย่าไปบังคับให้รู้ทันในจุดเนี้ยถ้าคนมีสติดีความกุหงิดก็จะดับไปแต่ว่าเมื่อเราสติไม่ดียังเป็นผู้เดินทางอยู่ให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวนะถูนิ้วมือก็ได้ถูนิ้วมือมัจจิตนารู้ รู้หนึ่งเดียวที่การถูนี่มือใส่ใจเจตนารู้ที่มือกําลังถูกันเบาๆรู้ตรงนี้ก่อนทิ้งความห ง, งุดหงิดไปก่อนเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาจัดการเจตน า, ารู้เงี้เดี๋ยวความห ง, งุดหงิดก็จะค่อยๆคลายไปถ้าไม่หายเปลี่ยนยาบทลุกไปไปที่ระต่างเปิดหน้าต่างดูนกดูยอดตึกสนใจกับสิ่งข้างนอกซะอันนี้คือการแก้ปัญหาต่อไปคนที่ออกจากอารมณ์ไม่ได้อย่านั่งอยู่กับที่อย่านั่งจมอยู่กับความหงุดหงิด แล้วมันจะออกไม่ได้เห็นไหมพยายามเปลี่ยนยาบทซะนับหนึ่งถึงสิบหรือดูลมหายใจก็ได้หายใจเข้าก็รู้สึกหายจะออกก็รู้สึกสองสามครั้งเนี่ยใจก็จะสบายเห็นเอาจิตออกจากอารมณ์ได้แบบนี้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์เลยสำคัญที่ว่าเราไปบังคับด้วยแล้วมารู้สึกตัวด้วยบางคนโกรดก็รู้นะเคลื่อนไหวก็รู้ โอ้โห oh, นี่ได้สองคะแนนเลยได้สองรู้เลยแต่ว่าไม่เอาทั้งสองอย่างเคลื่อนไหวก็รู้เฉยเฉยไม่เอาโกรธก็รู้เฉยเฉยไม่เอาไหมได้สองอย่างเลยจิตรู้อยู่ตรงกลางเฉยต้องทำบ่อยๆหลายๆครั้งสำคัญที่ว่าเราไม่เคยฝึกเลยแต่เวลาอารมณ์โกรธมากระทบปับ๊บอยากจะออยจกอารมณ์โกรธเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเวลาไม่โกรธต้องฝึกยามฝึกเราลบยามส ง, งบเราซ้อม สร้างพลังไว้ให้มีความมรุ้ตัวเสมอๆซ้อมเรื่อยๆเวลาความโกรธมาเนี่ยมันเข้าไม่ถึงหรอกเพราะเราจองที่นั่งไว้แล้วเนี่ยสติเนี่ยเปียกเส ม, มือนคนนั่งเก้าอี้เปียกเส ม, มือนใจใจมีสติคุมอยู่แล้วเนี่ยใครมานั่งซ้อนเราก็ไม่ได้เราคุมพื้นที่ไว้แล้วต้องทำเสมอๆหนึ่งเร่งมันถึงจะไม่ถูกอารมณ์ย้อมได้มันยังกับอะไรใบบัวกับน้ำเห็นหม สติที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเหมือนใบบัวนะน้ําไป็นเสมือนอารมณ์มันทูกรันแต่มันก็ไม่ติดกันนะมันผ่านต้องฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆแต่สำคัญที่ว่านิสัยของเราเป็นอย่างอะไรไหมเวลาอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่ดีเราไม่ชอบจะผลักใสแต่เวลาอารมณ์ดีเนี่ยเราชอบอีกอย่างนึงเราผลักอีกอย่างเรารับตรงเนี้มันทําให้เราต้องเสียท่าถ้าเราจะไม่โกรธ อารมณ์ไม่ดีเราไม่ชอบส่วนอารมณ์ดีนั้นเราก็ต้องรู้แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปเอาอย่าไปเข้าถ้ามีสุขมันก็ต้องมีทุกสองอย่างนีต้องไม่เอาทั้งสองอย่างนะแต่รู้ทั้งสองอย่างส่วนที่ชอบใจกับไม่ชอบใจเราจะเอาอย่างหนึ่งไม่เอาอย่างหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกเหมือนไม้ท่อนหนึ่งที่มีทั้งทางโคนทางปลายหยิบไม้ขึ้นมาต้องมีสองข้างเสมอไปท้ายดีคือไม่หยิบ แต่ค่อยรู้มันได้เฉยจิตจึงจะเป็นสละเวลาอารมณ์ดีเราเอาอารมณ์ไม่ดีเราไม่เอาอย่างเงี้ยถึงเวลาเอาจากอารมณ์นี่ยากมากต้องไม่เอาทั้งสองอย่างแต่ว่ารู้ทั้งสองอย่างแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติการออกจากอารมณ์นั้นต้องทําอยู่เสมอๆฝึกฝึกอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าไปบังคับอย่าไปห้ามเปลี่ยนยาบดซะไปอยู่ที่อื่นซะเนี่ยที่เวลาเรานั่งทำงานเนี่ยมันเกิดความเครียด เอาวางเปลี่ยนมองไปที่หน้าต่างมองไปข้างนอกแค่นี้ก็คลายเครียดแล้วเป็นระดับสายตาก็คลายเครียดแล้วออกจากอารมณ์ได้ลองฝึกทํำนี้บ่อยๆแล้วต่อไปเวลาอารมณ์มันรุนแรงมันก็จะออกได้ง่ายเพราะเรารู้ช่องทางอยู่แล้วทีวีที่เราดูเนี่ยถ้ารู้แบบเพ่งเข้าไปในเรื่องราวเนี่ยมันจะเครียดแต่ถ้าดูตรงนี้ทีวีทางโน้นแล้วก็การณ์เหตุผลนี้เราจะเอาถูกเอาผิดใช่ไหม ใจต้องเป็นกลางซะ ก, ก่อนใจต้องเป็นกลางนีะรักษาสติให้เป็นกลางก่อนแล้วค่อยจัดการกับเหตุผลถ้าไปหาเหตุผลด้วยจิตใจที่ไม่เป็นกลางแล้วก็มันไม่เป็นเหตุผลหรอกมันเข้าข้างตัวเองตลอดเขาจะบอกว่าเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นให้มองโลกในแงด่ดีการมองโลกในแง่ดีนี่คือวิธีการคิดนะคิดนะทำไมเราต้องเป็นทุกข์เสมอเราเปลี่ยนไปคิดไม่ทุกข์ได้บ้างหรือไม่ทีวีมีต้องหลายช่อง ช่องนี้เราไม่ชอบเปลี่ยนไปอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวมันก็เจอเรื่องตลกอยู่ดียดมาใจเราก็เหมือนกันเวลามันเกิดความโกรธต้องเปลี่ยนไปในคิดไปทางที่มันเป็นเมตตาบ้างพอเปลี่ยนตรงนี้ปั๊บเปลี่ยนจากความทุกขมาเป็นความคิดดีแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะต้องมีสติให้รู้ทันให้อยู่เหนือดีขั้นหนึง่งอันนี้มันจะพ้นจากเหตุผลนะเหตุผลเป็นเพียงแค่สมมุติบางทีเหตุผลนี้ก็ทําให้เราเป็นทุกข์นะ บางทีเราเป็นคนถูกนะแต่เราก็เป็นทุกข์เราทําถูกแล้วดีแล้วแนะนํำก็แล้วเหมนก็เชื่อฟังเราเลยลูกแล้วก็สอนเขาดีแต่ทำไมไม่เชื่อฟังเราเด็กมันดือ้อเด็กโอ้โหไปโกรธเด็กเพราะเราติดดีเราไม่เข้าใจธรรมชาติของเขาบางสิ่งบางอย่างอาจจะรับเราไม่ได้เราต้องเข้าใจดี น, นั่นแหละดีแล้วแต่ว่าอย่าไปยึดติดในความดีนะบางอย่างนี่มันเหนือเหตุเีนยวผล เหตุผลก็ทำให้เราเป็นทุกข์ธรรมะจะมีสามขั้นไงละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องแผ้วคือชั่วไม่ทำดีทำแต่ไม่เอาทั้งดีทั้งชั่วจิตจึงจะพน้นด้วยจิตที่บริสุทธิ์เป็นกลางกลางนี่ละทุกอย่างปัญหาชีวิตแก้โดยการฝึกสติปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพร่างกายแก้โดยการฝึกสติ ฝึกสติรักษาจิตให้เป็นปกติเมื่อจิตปกติแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ถูกแก้ไขนะแต่ว่าใจเราถูกแก้ไขแล้วปัญหาบางอย่างมันแก้ไขไม่ได้ล้วปัญหาโรคแตกแต่ใจเราไม่มีปัญหากระสิ่งเหล่า น, นั้นมันแก้ที่ใจได้แล้วเนี่ยข้างนอกไม่ต้องแก้ไขก็ได้สุขภาพร่างกายของเราบางทีมันรักษาไม่หายโรคปลายก็เจ็บมันรักษาไม่หายอย่างโรคแก่เนี่มันแก่ไม่เลิก ดูทีไรก็แก่ทุกทีแต่ถ้าเราฝึกใจเราดีแล้วเรายอมรับความแก่ซะใจเรามันก็ไม่แก่ไปด้วยแต่ว่าเป็นผู้ที่เห็นความแก่แต่ไม่มีผู้แก่ฝึกใจนี่แหละเนี่ยผมว่ามันมันอยู่เหนือความแก่กระทั่งเวลาเราตายนะโอ้นี่ใครมันตายเราไม่ตายในร่างกายมันเน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติเน่าเขุกลงไปใจปกติไหมฝึกใจนั้นดีทุกอย่างปัญหาทุกอย่างแก้ที่ใจแล้วจบเลยผมเป็นคนเดินเรือนะอยู่เรือเนี่ย กระแสะน้ำที่มันไหลเชี่ยวมาเนี่ยเราเปลี่ยนกระแสะน้ำไม่ได้ลมที่พัดมาเปลี่ยนกระแสะลมไม่ได้เราถือหางเสือเรืออยู่เนี่ยสามารถจะเบนหางเสือเรือเอาเรือหลบเข้าข้ามฝั่งได้เราแก้ที่ใจเราได้แต่แก้ที่เหตุการณ์หรือปัญหานี่มันแก้ไม่ได้หรอกแก้ที่ใจเราอย่างน้อยยอมรับยอมรับมันและไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันมองเห็นไปสิ่งธรรมดาซะเพราะ แต่น่นาจะไลปัญหาแบบนี้มันก็แก้ไม่ตกอยู่แล้วแต่ใจเรามันก็หมดปัญหามีอยู่ครั้งหนึ่งจะเล่าประสบการณ์ผมไปอยู่วัดป่า ส, สุโกโตไปปีแรกเลยอยู่ชั้นบนเลยนะบนภูเขาเลยนะไม่ใช่ชั้นสิบบนภูเขาเลยนะต้นไม้เต็มไปหมดแล้ววันหนึ่งจะโดนแดดแค่ช่วงเที่ยงตอนนั้นจะไม่โดนแดดเลยเพราะต้นไม้มันบังแดดหมดคุณพ่อซักผ้าซักผ้า ที่ใสทั้งหมดผ้าที่โน่นนี่ยสาวันแห้งมันไม่แห้งได้ง่ายหรอกเพราแดดไม่เคยมีสามวันแห้งคุณพ่อก็ซักผ้าไปสองวันวันที่สามนี่ผ้าจะแห้งอยู่แล้วตอนนี้เที่ยงเนี่ยตากผ้าแช่อยู่แล้วคุณพ่อก็เดินลงไปข้างล่างไปทําธุระอีตอนเดินลงไปในฝนไม่ตกแต่พอลงไปสักพักฝนมันจะเริ่มตกมันจะมือครึ้มโ oh, oh, อ้โหทํายังไงดีนอนอยู่คนเดียวนะที่อุติทํายังไงดีลุกไปเก็บผ้าก็ไม่ได้ฝนก็เริ่มจะตกอยู่แล้วทํำยังไง ตอแรกก็มองซ้ายมองขวาหาตัวช่วยพอดีฝนตกมาจริงๆอ่ะนึกขึ้นได้โอ้โหนี่เปียกหมดแล้วอันดับแรกคืออะไรไหมอ น, นอนยิ้มเลยเราเก็บผ้าไม่ได้ผ้าเปียกแล้วผ้าเปียกนะแต่ใจไม่เปียกผมแก้ปัญหาใจได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะผ้าเปียกเห็นไหมใจเราสบายเลยสบายผ้าเปียกแล้วก็นอนยิ้มดูผ้าเปียก แก้ปัญหาใจได้แล้วมันแก้ได้ก่อนด้วยทีนี้รู้หลักเลยอ้อะไรก็ขึ้นก็ตามทําอะไรไม่ได้ทําใจไว้ก่อนเลยบางทีทำใจได้ในข้างนอกไม่ต้องทําอะไรเลยนะเอาละ่ะสมควรเก็บเวลาสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรนะครับญาติธรรมทุกท่านจงมีความเจริญในหน้าที่การงานมีความผาสุกมีสติปัญญารักษากายหายไขย้รักษาใจหายทุกข์ ด้วยธรรมโอสถ ด, ด้วยการทุกท่านทุกคนเถอ